พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13วรรคที่สชื่อปริภาชกวรมีสิบสูตรพระสูตรแรกของวรรคที่สพระสูตรที่21จุลวัชโคตตสูตรสูตรว่าด้วยวัชโคตะปริภาชกสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับนาศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีสเสด็จไปบินทบาีในเวลาเช้า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 ข้ารือหัดยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของขฤรหัดตายไปจะเข้าถึงสวรรค์มีหรือไม่ตรัสตอบว่ามีไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่ร้อย0 0 300 4ย0หรือห0 0แต่โดยที่แท้มีมากกว่านั้นที่ค้ารือหัดยังไม่ละกิเลสเครื่องร้อยรัดของขรืหัดตายไปเข้าถึงสวรรค์ได้ 3. อาชีวก